นั่งอยู่ข้างนัางเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายที่เพราะฝนตกมันชอบตกตอนนี้ทุกทุกครั้งเลยเมื่อวานนี้ก็ตกตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ฝนจะตกเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ แต่เรามักจะไม่ยอมมองว่าของที่เรามีเป็นของธรรมชาติเราจะมักจะมองว่าเป็นของเราเราสั่งมันได้ห้ามมันได้พอเวลาเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เราก็เสียใจทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันก็เป็นของธรรมชาติเพียงแต่ว่าเรายังพอสั่งมันได้บ้างแต่ถึงเวลาที่จะสั่งมันไม่ได้มันก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ อันนี้ที่เราทุกข์กันก็นเพราะเราไปมีความอยากให้ของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ให้เราควบคุมบังคับได้ mm hmm. จนร่างกายของเรานี้เราคิดว่าเราควบคุมบังคับได้แต่ก็ได้บางบางส่วนบางเวลาเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆมันก็ไม่ยอมให้เราสั่ง mm hmm. สั่งให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้สั่งให้มันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้สั่งให้มันไม่ตายก็ไม่ได้เวลามันเจ็บมันจะเจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาเวลาจะตายมันก็ตายขึ้นมาถ้ามีเหตุปัจจัยทำให้มันเจ็บมันก็เจ็บเช่นไปติดเชื้อมามันก็เจ็บไม่สบายถ้าไม่มียารักษาก็ตายได้ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าบอกอนัตตาอนัตตาแปล ว, ว่าไม่ใช่ของเราถ้าเราอยากจะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ใจเราก็ต้องอยู่แบบแบบไม่ยึดไม่ติดไม่อยากเหมนกับเราอยู่กับสินฟ้าอากาศเนี่ย ฝนจะตกเราก็ไม่ได้ไปอยากให้เขาไม่ตกเขาจะตกก็ปล่อยก็ตกไปเช่นเดียว ก, กับร่างกายของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้เป็นความรู้ที่เราไม่รู้กันความจริงที่เราไม่รู้กัน ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้สั่งคือใจเราเรียกว่าใจจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเ อ, ก ส, อกส่วนหนึ่งแยกออกจากร่างกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายอย่างที่นักวิทยาศาสต์เข้าใจกัน เข้าใจว่าผู้รู้ผู้คิดอยู่ในสมองคิดว่าถ้าถ้าสมองตายไปก็รู้ไม่ได้คิดไม่ได้แต่ผู้รู้ผู้คิดยังยังรู้ยังคิดอยู่ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรเพราะผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเหมือนผู้ขับรถยนต์ผู้ขับรถยนต์นี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ รถยนต์จะเสียสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของรถยนต์แต่คนสั่งยังไม่ได้ไม่ได้เสียไปกับรถยนต์รถยนต์ถ้ามันพวงมาลัยเสียก็ส่งไปซ่อมซ่อมได้ก็เอามาขับต่อได้ใช้ต่อได้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ขับไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนรถใหม่เป็น ร่างกายเราเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆได้บางบางเวลาแต่ไม่ไม่ตลอดเวลาบางเวลาจะสั่งให้ไปทํางานมันก็ไปไม่ไหวเช่นเวลาไม่สบายลุกไม่ขึ้นปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไปสั่งให้ร่างกายไป ทำตามที่เราเคยสั่งมันก็สั่งไม่ได้มันไม่ยอมทำตามถ้าเราไม่มีความอยากจะใช้มันไปไหนมาไหนเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นสั่งให้ไปทางานไม่ได้ไม่ไปก็อยู่บ้านอยู่บ้านก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้แต่ปัญหาคือเราอยู่เฉยๆไม่เป็นกันเราไม่เคยหันอยู่เฉยๆกันเรา ติดนิสัยชอบทํานูน่ทนทานี่ไปนู่นมานี่พอเวลานั่งกายทําไม่ไหวเราก็วุ่นวายใจเพราะเราไม่ได้ทําตามที่เราอยากจะทาเพราะเราไม่เคยรู้จักอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่ต้องทําอะไรถ้าเราอยู่เฉยๆเป็นไม่ต้องทําอะไรเป็น เวลาร่างกายไม่สามารถทำอะไรตามที่เราสั่งได้เราก็จะไม่เดือดร้อน<ม>เพราะการอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่ง<ม>สุขกาการไปทำอะไรต่างๆ<ม>สุขกาการไปดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยง<ม>ไปงานแต่งงานไปอะไรต่างๆสู้กับความสุขที่ เกิดจากการทำใจให้อยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราทำใจให้อยู่เฉยๆได้เราจะสบายจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ถ้าทำใจให้อยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องไปอย่างเดียวเวลาไม่ไม่ได้ไปก็หงุดหงิดลาคาญใจมีอารมณ์ไม่ดีเสียอารมณ์เสีย เวลาไม่ได้ทำอะไรตามที่ต้องการจะทำร่างกายของเรามันไม่สามารถที่จะรับคำสั่งเราได้ทุกครั้งทุกเวลามันจะต้องมีเวลาที่มันบอกว่าไม่ไหวไปไม่ไหว<ะ>ทำไม่ไหว<ะ>แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่เป็นเราจะมีอารมณ์เสีย อารมณ์หดเหยียดอยู่เฉยๆแล้วไม่มีความสุขถ้าเรามาฝึกหยุดใจของเราให้อยู่เฉยๆได้เราจะสบายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วเราจะไม่ต้องไปไหนมาไหน ให้เหนื่อยให้วุ่นวายไปเปล่าๆเพราะว่าการไปไหนมาไหนการทำอะไรผ่านทางร่างกายก็ซิ้ว อ, อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆกับมีความสุขมากกว่าถ้าอยู่เฉยๆได้ก็ลาออกจากงานได้ไม่ต้องไปทำงานทำก็ทำไม่มากทำอาชีพอิสระ ทำพอมีรายได้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายก็พอขายประกันก็ได้ขายเครื่องสาอางก็ได้คนไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ต้องขายคนไหนอยากจะอยู่เฉยๆก็ไม่ไม่ต้องไปทำงานแล้วจะไม่คิดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไม่อยากจะซื้ออะไรถ้าเราอยู่เฉยๆได้นี่เราจะ ไม่มีความอยากที่จะซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อไม่มีความอยากจะไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใจจะมีความสุขแล้วแนมะ้แล้วถ้าร่างกายไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราอยู่เฉยๆได้อยู่โดยไม่มีร่างกายได้พระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบ่าบ้บูชากันอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เองแต่เรามองไม่เห็นท่านนั้นเองว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้า ร่างกายของพระพุทธเจ้าอันนี้ทามาจากธาตุสี่คือทามาจากธาตุดินน้ำลมไฟแล้วพอมันตายไปมันก็กลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟไปธาตุน้ำที่อยู่ในร่างกายก็ไหลออกไปธาตุลมที่อยู่ในร่างกายก็ไหลก็ระเหยออกมาธาตุไฟก็ระเหยออกมาถ้าเหลือแต่ธาตุดิน ธาตดินก็กลายเป็นกระดูกเนื้อหนังมังสาที่แห้งกรอบต่อไปมันก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ต่างร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างจากร่างกายของพวกเราทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ แต่ใจของพระพุทธเจ้านี้อยู่เฉยๆได้อยู่โดยไม่ต้องมีร่างกายได้พระพุทธเจ้าเลยไม่มามีร่างกายใหม่แต่พวกเรานี้ถ้าร่างกายเราเป็นอะไรไปตายไปเราอยู่เฉยๆไม่ได้เรายังอยากมีร่างกายใหม่เราก็จะไปได้ร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เหมือนกับชาตินี้เรามาเกิดใหม่ เพราะชาติก่อนร่างกายที่เรามีอยู่มันตายไปเมื่อร่างกายของเราที่อยู่ในชาติก่อนตายไปแต่ใจของเราอยู่เฉยๆไม่ได้ใจของเรายังอยากไปไหนมาไหนยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยู่ก็เลยทําให้เราต้องไปหาร่างกายอันใหม่ พอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนพาเราไปทําอะไรต่างๆเพราะเราอยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่แล้วมันลาคาญอยู่แล้วมันทรมานใจอยู่เฉยๆก็ลเลยต้องไปทําอะไรต่างๆโดยใช้ร่างกายเป็นผู้รับใช้ เหมนกับถ้าเรายังต้องไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถยนต์ถ้ารถยนต์ที่เราใช้อยู่มันพังไปมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อรถคันใหม่เพราะเรายังอยากจะไปไหนมาไหนอยู่แต่ถ้าถ้าเราไม่อยากไปไหนมาไหนมีรถก็ไม่ได้ขับปล่อยมันจอดทิ้งไว้ในบ้าน อยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพราะเรามีความสุขอยู่ในบ้านมีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้านเราก็ไม่ต้องใช้รถรถจะเสียก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องเอาไปซ่อมก็ได้รถจะพังก็ก็ไม่ต้องไปซื้อรถใหม่มานี่คือร่างกายของพวกเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ส่วนเราเนี่ยคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเป็นคนขับรถที่เรายังต้องมีร่างกายก็เพราะเราอยู่เฉยๆไม่เป็นเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ได้ไม่ตื่ชั่วโมงอย่างมากก็พักผ่อนหลับนอนพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็ไปละออกจากบ้านละไปทํานูน่ทนทํานี่ทำจนเหนื่อยหมดแรงก็ถึงจะกลับบ้าน กลับมานอนมาพักใหม่เดี๋ยวพอรุ่ขึ้นไปอีกนะถ้าวันธรรมดาก็อ้างว่าไปทำงานแต่พอวันหยุดทำงานก็ไม่อยู่บ้านเองไปเที่ยวเองไปทำนู่นทำนี่ไปซื้อนู่นซื้อนี่เพราะให้อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆมันไม่สบายใจมันไม่สุขใจเพราะใจมันเล่นอยู่ตลอดเวลาใจมันอยาก อยากดูนั่นอยากฟังนี่อยากไปโน่นอยากมานี่มันเลยทําให้อยู่เฉยเฉยไม่เป็นอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรามาผัดอยู่เฉยเฉยโดยวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้จักวิธีที่จะทําให้เราอยู่เฉยเฉยอย่างมีความสุขได้พอเราอยู่เฉยเฉยได้มีความสุขได้ ขึนมาข้างบนก็ได้นะเนี่ย <Yeah. S 1> ข้างบนที่อยู่ฟังว่างเข <Yeah. S 1> ้ามาได้เนี่ยขยับเข้ามาข้างในหน่อยไปคนที่อยู่ข้างหน้าจะได้เข้ามาได้เนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ที่เรามาห <Yeah. S 1> า, า <Yeah. S 1> พระพุทธศาสนามาวัด <Yeah. S 1> มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็ <Yeah. S 1> เพื่อมาฟังวิธี <Yeah. S 1> อยู่แบบไม่ต้องทำอะไร อยู่ยังมีความสุขโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรมีก็เฉพาะปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองมีข้าวกินวันละมื้อก็อยู่ได้นะมีเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอละมีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอละไม่จำเป็นจะต้องมีคอนโดมีบ้านเพราะเราไม่มีสมบัติอะไรที่จะต้องซ่อนเก็บเอาไว้มีแค่เสื้อผ้าสองสามชุด ใครอยากจะมาขโมยได้าหมือนไปซื้อใหม่ได้แต่เราไม่จำเป็นจะต้องมีสมบัติเท่าของอะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่มากมายเราก็จะไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองมาซื้อบ้านซื้อข้าวของต่างๆถ้าเรารู้จักอยู่เฉยๆได้เนี่ย เราไม่ต้องมีอะไรมากจริงๆมีข้าวกินวันละมื้อก็พอลนะหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าไปทั้งวันไม่จาเป็นจะต้องมีตู้เย็นไม่จาเป็นจะต้องมีอะไรไเก็บข้าวเก็บของเก็บกับข้าวกับปลาเก็บอาหารอะไรเวลาหิวก็ออกไปซื้อกับข้าวข้างนอก น, นอาหารมีเยอะแยะกินมื้อเดียวก็อิ่มละอยู่ได้ทั้งวัน แล้วก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเดินนั่งนอนนั่งแต่คนที่สามารถอยู่เฉยๆได้มักจะมีงานให้ทำอยู่เรื่อยๆเพราะมีคนจะมาถาคนอยากรู้ว่าทำยังไงอยู่ยังไงอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีเงินใช้ อ, อยู่เฉยๆได้ ย, ไดยังไงก็อะไรไม่ว่างเพราะมีคนมาอยู่ตลอดเวลามีคนมาหาตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องสอนคนวันละต้องสามสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายก็สอนญาติโยมตอนค่ำก็สอนพร ะ, นะนเนรพระทิษุสามเณรตอนเด็กก็สอนเทวดา แม้แต่เทวดาก็ยังอยากจะรู้ว่าวิธีอยู่เฉยๆอยู่ยังไงเทวดาเขาก็อยากจะมีความสุขแบบอยู่เฉยๆแต่ถ้าไม่มีใครมาหามาเรียนไม่มีอะไรทำจะไม่รู้สึกกำาทานใจนั่งๆ น, นอนนอ น, น, อนอถ้านอนเบื่อก็ลุกขึ้นมาเดินเดินเบื่อก็ลุกขึ้นมานั่ง เดี๋ยวก็หมดวันไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลานอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปหาอาหารกินซะหน่อยพอกินอาหารเสร็จก็ไม่ต้องทำอะไรแนละ้วสบายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักทำกันเราเลยต้องวุ่นวายกันต้องไปหาเงินหาทองกัน เพื่อเราจะได้ซื้อของที่เราอยากได้กันซื้อมาเท่าไหร่ความอยากก็ไม่หมดซื้อมาแล้วก็อยากซื้ออีกซื้อรองเท้าคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้ออีกคู่ซื้อกระเป๋าใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยากซื้ออีกใบนะมันก็เท้าก็มีแค่นี้เดียวคู่เดียวแต่รองเท้าต้องมีหลายคู่ เป๋าก็ใช้ทีละใบไม่ได้ใช้ทีละสิบใบทำไมต้องมีสิบใบด้วยกระเป๋ามันก็ไว้ใส่ของเท่านั้นอ่ะมันเห็นมันไม่มีความพิเศษพิโสอะไรหรอกเวลาไปไหนมาไหนอาจจะต้องมีของติดตัวไปก็ต้องมีกระเป๋าไว้ใส่ของถ้าไม่มีกระเป๋าเดี๋ยวนี้มีถุงพลาสติเนี่ยนะมันก็เหมือนกันะใช้ได้เหมือนกัน ใส่ของได้เหมือนกันไม่ต้องเสียเงินด้วยของฟรีของฟรีไม่ชอบชอบของเสียเงินแล้วเงินก็ต้องหามาสึงยามามันไม่ได้ตกลงมาเหมือนน้ําฝนยอยากจะได้เงินไปซื้อกระเป๋าก็ต้องไปหาเงินกันก็ต้องไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากับการหาเงินหาทอง เน่ยเราสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองด้วยความอยู่ไม่เป็นสุดอยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่มแบบไม่มีอะไรไม่เป็นต้องมีอะไรเต็มไปหมดในห้องในบ้านมีมีข้าวของเต็มไปหมดแล้วมันวิเศษตรงไหนหรือเปล่ามันทำให้เราสบายหรือเปล่า มันก็ทำให้เราเหมือนเดิมคืออยู่ไม่เป็นสุขเหมือนเดิมซื้อมาแล้วก็ไม่ได้อยู่กับมันแล้วก็ออกนอกบ้านซื้อของมาไว้ในบ้านก็ไม่เคยไปอะไรกับมันซื้อมาแล้วก็ตั้งไว้โชว์ไว้เฉยๆนะเป็นเครื่องประดับบ้านไปช้นนแต่กว่าจะหาเงินมาได้ น, นีเหนื่อยห ไปทำงานเครียดกับการทำงานต้องมีปัญหาเวลาทำงานมีเพื่อนร่วม ง, งานมีเจ้านายมันคอยสั่งคอยใช้เพราเราต้องอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องใช้เงินใช้เงินเพื่อทำให้เราหายลำคาญใจเวลามีเงินแล้วมันก็เลยไม่ต้องอยู่บ้าน ออกไปนอกบ้านได้อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปดูไปฟังก็ไปได้อยากจะไปกินไปดื่มก็ไปได้แต่มันก็ทำให้เราหายหลำคางชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาพักมานอนแล้วพอตื่นขึ้นพรีแรงก็อยากจะออกไปข้างนอกอีก ชีวิตของเราก็เลยวุ่นวายกับการหาเงินแล้วก็วุ่นวายกับการใช้เงินแล้วก็วุ่นวายกับคอยดูแลร่างกายเพราะถ้าใช้ร่างกายบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ไม่สบายได้พอไม่สบายก็ไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ีชีวิตของเราก็มีอยู่แค่นี้น วันวันหนึ่งก็หาเงินได้เงินมาก็ใช้เงินไปเที่ยวกันไปซื้อของแก้ความลำคาญใจของเราใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแก่จะเจ็บจะตายไปเวลาแก่ก็เดือดร้อนหุ่นวายไม่สบายใจใเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เดือดร้อนกลัวจะตายกลัวจะรักษาไม่หายแล้วเวลาตายก็ ฆ้าไม่ได้เวลาตายก็เสียอกเสียใจต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้กันหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวข้าวของเงินทองที่เราหากันมานี้เดี๋ยวเวลาตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดตอนนี้ตอนอยู่ไม่ยอมไม่ขายห่หวงแต่พอตอนตายนี่เอาไปไม่ได้ ก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วมันไม่ตายแล้วมันจบถ้าตายแล้วมันจบก็ดีตายแล้วมันยังมีต่อมีรอบสองต่อมีภาคสองมีการกลับมาเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ไหมไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาทําเหมือนเดิมอีกและก่อนที่เราจะกลับมาเกิดก็ยังต้องไป รับผลบุญผลกรรมผลบาปที่เราทำกันนี่ผู้ที่ไปคือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้นี้แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปผลบุญก็คือสวรรค์ผลบาปก็คืออบายนรกอบายนรกก็เป็นที่ที่มีแต่ความทุกข์ สวรรค์ก็มีเป็นที่ที่มีแต่ความสุขถ้าอยากจะรู้ว่าสวรรค์กับนรกหรืออบายนี้เป็นอย่างไรก็ดูตอนที่เรานอนหลับเนะี่ยตอนที่เรานอนหลับก็เหมือนัเราตายชั่วคราวเพราะเวลาเรานอนหลับเราไม่ได้ใช้น่างกายทําอะไรน่างกายก็เหมือนคนตายแต่ใจมันไม่ได้อยู่เฉย เวลาร่างกายตายไปใจมันก็ยังคิดยังอะไรอยู่มันก็เป็นความฝันขึ้นมาคิดเรื่องดีก็ฝันดีคิดเรื่องไม่ดีก็ฝันร้ายจะคิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ตอนที่เวลาเราตื่นเวลาเราตื่นเราไปทำดีแล้วทำไม่ดีเวลาเราทำไม่ดีทำบาปเราก็คิดไม่ดี เวลาเราทำความดีเราก็คิดดีความคิดที่เราทำตอนที่เราตื่นนียมันจะเหมือนถูกบันทึกเอาไว้ในใจเราเพอเวลาเรานอนหลับมันก็จะโผล่ขึ้นมามันมันก็จะเป็นความฝัน <Okay. S 1> ถ้าเราคิดไม่ดีตอนที่เราตื่นตอนที่เราทำอะไรต่าง เราทำบาปเวลานอนหลับเราก็จะฝันไม่ดีถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเราก็จะฝันว่าคนอื่นเข้ามาฆ่าเรามันจะฝันกลับกันไปทำอะไรกับใครไว้เวลานอนหลับมันจะฝันตรงกันข้ามกันไปทำร้ายคนอื่นเวลานอนหลับก็จะฝันว่าจะมีคนมาทำร้ายเราเพราะถ้าเราไปทำร้ายใครเขาก็จะต้องมาทำร้ายเราใช่ไหม เราก็จะกลัวเราก็จะคิดวิตกหวาดกลัวไปทําร้ายใครเดี๋ยวก็เขาก็จะมาทําร้ายเราอาฆาตจองเวกับเราถ้าเราทําความดีกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้เขาก็จะมาทําความดีกับเราเราช่วยเขาเขาก็อยากจะช่วยเราเราให้อะไรเขาเขาก็อยากจะให้อะไรเรางั้นเวลาเรานอนหลับถ้าเราทําความดีเราก็จะฝันดี ฝันว่ามีสิ่งดีๆคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรามาช่วยเราชวนเราไปเที่ยวพาเราไปทำอะไรดีๆเรียกว่าฝันดีนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์ก็คือการฝันดีนรกเรือใบก็คือการฝันร้ายแล้วพอเวลาตายจริงๆมันก็จะมันก็จะฝันยาวเลย ตอนเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราฝันได้สั้นๆเพราะร่างกายพอตื่นขึ้นมาใจเราก็กลับเข้ามาที่ร่างกายกลับมารับเรื่องของร่างกายต่อพอตื่นขึ้นมาเราก็ฐานตเตลอกเราก็จะมองตัวเราเองว่าอยู่ที่ไหนวะอ๋ออยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายต้องทำอะไรวันนี้ก็ไปกลับเรื่องของร่างกายแต่เวลา น, นอนหลับเราก็ทิ้งร่างกายปล่อยร่างกาย เราก็ปล่อยให้ความจํามันผลิตความความฝันให้กับเราถ้าเรามีความจําดีๆ ม, มีสิ่งที่ดีอยู่ในความจํามันก็จะฝันดีมีความสุขถ้าเราบันเทิงแต่เรื่องไม่ดีต่างๆไปฆ่าเขาไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาไปยุ่งกับสามีภรรยายของเขามันก็จะบันเทิงแต่เรื่องไม่ดีออกไป แล้วพอเวลานอนหลับมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีให้เราฝันนี่แหละคืออบายหรือนรกถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์แล้วพอเวลาร่างกายนี้ตายจริงๆเวลานั้นก็จะฝันยาวถ้าฝันดีก็ฝันยาวไปเลยถ้าฝันไม่ดีก็ฝันยาวฝันไปจนกว่ามันจะหมดกําลัง ของที่เราบันทึกไว้เหมือนเทปที่เราบันทึกไว้เนะี่ยเราก็เปิดเทปไปเรื่อยๆจนกว่าเทปมันจะหมดพอเทปหมดแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่พอคลอดออกจากท้องแม่ออกมาก็ตื่นขึ้นมานี่เราความตายก็คือการไปเปลี่ยนร่างกายนี้เองเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราไปเปลี่ยนร่างกายร่างกายอันเก่าเหมือนรถยนต์คันเก่ารถยนต์เก่ามันพังเราก็ต้องไปเปลี่ยนรถใหม่ร่างกายอันเก่านี้มันตายไปเราก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ระหว่างทางที่ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ก็ฝันไปนอนฝันไปก่อนนอนหลับฝันไปฝันยาวฝันอาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็ได้กว่าจะได้มามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ พอจากท้องแม่ขึ้นมาก็ตื่นเลยพอเด็กคลอดออกมาก็เหมือนเด็กตื่นเลยเด็กก็เริ่มร้องแล้วก็เริ่มอยู่กับร่างกายเริ่มใช้ร่างกายต่อไปโตขึ้นก็ทําบุญทําบาปต่อไปตามนิสัยเดิมเคยทําบาปมาก็จะมีนิสัยชอบทําบาปติดตัวมาเคยทําบุญก็จะชอบทําบุญติดตัวมา เคยชอบอะไรก็จะทําอย่างนั้นชอบสีแดงก็จะหาสีแดงชอบสีเขียวก็จะหาสีเขียวชอบรสเปรี้ยวรสหวานก็จะหารสเปรี้ยวรสหวานมันเป็นของติดอยู่ในใจของเราเป็นความจําของเรามันฝังเป็นนิสัยขึ้นมาชอบใช้มือขวาก็จะใช้มือขวาทําไมคนเราถึงไม่ใช้มือขวาเหมือนกันทุกคน ว่าบางคนชอบมือซ้ายชอบใช้มือซ้ายบางคนชอบใช้มือขวาบางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีแดงบางคนชอบสีเหลืองบางคนเกลียดตุ๊กแกบางคนชอบตุ๊กแกอันนี้ก็เป็นนิสัยทั้งนั้นที่เราเคยมีติดตัวเรามาตั้งแต่ชาติก่อนๆเราเคยชอบอะไรเราก็จะชอบต่อไป เราเคยชังอะไรเราก็จะชังต่อไปแต่เราเปลี่ยนได้เช่นถ้าชาตินี้เรามาเกิดแล้วเราเคยชอบทาบาปเช่นชอบดื่มสุราแล้วพอดีเราได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาเห็นโทษของการดื่มสุราว่าไม่ดีทำให้เราเป็นคนเสียสติคนดื่มสุราเวลาเมาไม่มีสติเป็นเหมือนคนบ้า ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมการกระทําไม่ได้ทำไปเวลาเมาก็มักจะไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขับรถก็ไปชนคนตายไปเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเรารู้ว่าเดินโซราไม่ดีเราก็เปลี่ยนนิสัยได้ฝืนได้ทุกครั้งที่อยากจะเด่นโซราก็ดื่ม น, น้ำเปล่าแทน อยากจะดื่มสุราบอกแม่เอาเป็นยาพิษดื่มแล้วเดี๋ยวทําให้เราเป็นคนบ้าเสียสติดื่มน้ําเปล่าดีกว่าถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าไปถ้าทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุดาเราไม่ดื่มเราไปดื่มน้ําเปล่าได้ต่อไปความอยากดื่มสุราก็หายไปเราก็จะติดนิสัยดื่มน้ําเปล่าต่อไปเวลาไปไหนใครก็จะเทเบียร์ให้เราเราบอกแม่เอาเอาน้ําเปล่านี่แหละ คือนิสัยไม่ดีก็เปลี่ยนได้นิสัยที่ดีก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าไปเจอเพื่อนไม่ดีเช่นไม่ไม่ชอบกินไม่ชอบกินเหล้าแต่ไปคบกับเพื่อนที่ชอบกินเหล้าเข้าไปทีไรเขาก็ชวนเรากินเหล้าให้เราไม่กินก็เก่งใจเขาควรจะเสียเพื่อนโดยเฉพาะถ้าเป็นแฟนเนี่ยเราก็เสียควจะเสียแฟนแต่บังคับให้กินเหล้าก็ต้องกินตอกินไปกินมาก็เลยติด ทั้งที่เมื่อก่อนไม่ชอบกินเหล้าแต่พอเราทำอะไรไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัยขึ้นมาเนี่ยเราเปลี่ยนได้เนี่ยชาตินี้ที่เรามาพบกับพระพุทธเจ้าพ บ, พบกับพระพรทศาสนานี่ท่านมาสอนให้เราเปลี่ยนนิสัยใหม่นิสัยที่ทำให้เราต้องฝันร้ายต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นนิสัยไม่ดีเนี่ยถ้าเรามาเปลี่ยนนิสัยตามที่พระเจ้าสอนได้เราจะ อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองไม่ต้องไปไปใช้เงินใช้ทองมาหัดนั่งเฉยๆทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุข <c oughs> คือมาเปลี่ยนทิศสัยจากการเป็นคาวาะผู้คลองเรือนให้มันเป็นนักบวชให้มันเป็นพระให้ปันเป็นภิกษุณีเป็นแม่ชี ถ้าเราเปลี่ยนทิสายได้เราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็จะสบายอยู่เฉยสบายไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินแล้วตายไปก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนร่างกายอันใหนไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่เวลานอนหลับก็ไม่ฝันเพราะเราไม่ได้ทำอะไรบุญก็ไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ทำถ้าเราอยู่เฉยเฉยเราก็ไม่ต้องฝัน น, นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การรู้จักอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขก็ถือว่าเราได้พบความสุขที่แท้จริงถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วยังไม่สุขก็แสดงว่ายังไม่พบกับความสุขเราก็ต้องเรียนวิธีที่จะทำให้เราอยู่เฉยๆอย่างมีความสุข วิธีจะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขเราต้องหยุดคิดกันอย่าคิดกันการไม่คิดนี่ไม่ตายหรอกเชื่อไหแต่เรานี่ตั้งแต่เติ่นนมาในคิดกันทั้งวันส่วนใหญ่ก็คิดไปในทางหาเงินหาทองคิดไปในทางใช้เงินใช้ทองคิดไปเที่ยวที่นั่นคิดไปเที่ยวที่นี่คิดไปซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่คิดอยู่กัรเรื่องราวเหล่านี้ทั้งนั้น มันก็เลยทำให้เราต้องไปทําตามที่เราคิดกันถ้าเราไม่คิดเรื่องถึงเรื่องหาเงินคิดถึงเรื่องใช้เงินเราก็จะอยู่เฉยๆได้ทำยังไงถึงจะหยุดความคิดได<ม>้ให้มันคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปคิดเรื่องอื่นเช่นให้คิดอยู่กับคำพุทโธพุทโธไปเ<ม>ตินขึ้นมาก็ลืมตาก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไร แล้วมันก็จะไม่มีความอยากจะไปไหนมาไหนแล้วเวลานั่งเฉยๆคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวจิตก็นิ่งจิตก็จะเฉยแล้วก็มีความสุขแล้วจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากทำอะไรอยู่เฉยๆมีความสุขมากกว่าอันนี้แหละเป็นของดีมีอยู่ในตัวเราเราไม่หากันชอบไปหาไฟมาสุม ชอบไปหาความทุกข์มาให้กับใจของเราเพราะของอะไรที่เราได้มานี่มันจะต้องทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่กับเราไปตลอด น, นั่นเองเวลาได้มาก็ดีใจพอมันจากเราไปก็ร้องหง่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจแล้วเวลาได้มันมาแล้วมันเปลี่ยนไปเวลาได้มาใหม่ๆมันดี พอใช้ไปสักพักหนึ่งเอา้ามันเสียล้เปลี่ยนไปละอันนี้ก็ทําให้เราเดือดร้อนนะใช้มันไม่ได้แล้วเช่นซื้อรถมาใหม่ๆก็ขับดีไปไหนมาไหนได้ขับไปเรื่อยๆสักพักเดี๋ยวก็เริ่มเสียล้เดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดล้วเดี๋ยวยางแตกนะทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ถ้าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกกับมันเพราะว่ามันไม่ดีไปตลอด มันจะต้องเสียมันจะต้องหมด mm hmm. นั้นถ้าเราอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปมีรถ mm hmm. ถ้าเราอยู่เฉยๆมีความสุขเราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้าน mm hmm. ถ้าจำเป็นจะไปก็ขึ้นรถเมย์ก็ได้ขึ้นแท็กซี่ก็ได้ mm hmm. ไปแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้ไปบ่อยๆ mm hmm. นานๆไปสักครั้งหนึ่งถ้าจำเป็นจริงๆไปก็เพื่อ mm hmm. ไปเพื่อเลี้ยดูร่างกายเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้ไปเพื่ออะไรงั้นหัดมาหยุดความคิดกันหัดพุดโทโธกันพุโทโธกันเดิบขึ้นมาไม่มีไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าคิดถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จำเป็นจริงๆเช่นคิดว่าวันนี้ต้องทําไปทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรพอรู้แล้วก็พอแล้วก็หยุดคิดเวลาเตรียมตัวจะไป ก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเดี๋ยวอยากจะไปทําให้นู่นทําให้นี่ทํำให้เรื่องที่ไม่จําเป็นต่างๆเดี๋ยวอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปหาคนนั้นหาคนนี้เรื่องที่เราไม่จําเป็นจะต้องทําอย่าปล่อยให้มันไปทําทําแต่เฉพาะเรื่องที่จําเป็นก็คือเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นเอง เรื่องอื่นอย่าไปทำมันทำแล้ววุ่นวายไปบว่าป่ความสุขที่ได้ก็เดียวเดียวไปเที่ยวกลับมามันก็หมดละไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดละทำให้เราเหงาอยู่คนเดียวอยากจะต้องออกไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเราหยุดคิดได้หยุดคิดว่าเราจะไปเที่ยวที่ด้านที่นี้ได้เราก็จะไม่รู้สึกเหงาความเหงาเกิดจากความคิดความอยากของเรา พอคิดแล้วก็อยากพออยากนะไม่ได้ไปก็เหงาแต่ถ้าเราไม่ให้มันคิดเราให้มันอยู่แต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็จะไม่เหงามันจะอยู่อยู่บ้านเฉยๆได้แล้วถ้าอยากให้มันมีความสุขก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอจิตมันนิ่งมันสงบมันก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วมันจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เราได้รับจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆมามากมายสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะลองทำกันดูไม่ยากถ้ายากเพราพระพุทธเจ้าไม่มาสอน แล้วก็มีคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทําตามพระพุทธเจ้าได้ก็มีจํานวนมากมายพวกที่ไปบวชเนี่ยเขาทําตามพราะพุทธเจ้าสอนได้ไปบวชเขาไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงินเพียงแต่มาคอยควบคุมความคิดความอยากเท่านั้นเองก็มีความสุขได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะต้องให้ทุกข์ เพรของที่มีก็ไม่ยึดไม่ติดไม่ได้พึ่งมันถ้าถึงเวลาจะต้องทิ้งมันก็ทิ้งได้<ห>ร่างกายถึงเวลาจะตายก็ทิ้งมันได้ร่างกายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บได้ร่างกายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ได้เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าใช้ก็ใช้ไว้สาหรับทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเช่นพระพุทธเจ้าใช้ร่างกายสอนคนอื่นถ้าไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าก็จะสอนไม่ได้ เช่นตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีร่างกายแล้วก็เลยสอนพวกเราไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ฉลาด ก, ก่อนที่จะตายท่านก็สอนเยอะๆแล้วให้ลูกศิษย์คอยจดคอยจําไว้แล้วก็ให้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็บอกว่าถ้าใครอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ให้ไปเรียนจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าอ่านพระไตรปิฎกได้ก็เหมือนกับได้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านรู้ว่าร่างกายของท่านจะต้องตายท่านก็เลยหาวิธีที่จะทําทให้คำสอนของท่านยังอยู่ต่อไปได้คําสอนของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้อยู่ต่อไปได้ด้วยสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือคําสอนที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอีกส่วนหนึ่งก็คือคําสอนที่เกิดจากผู้ที่ เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นพระสาวกขึ้นมามรุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาพระสาวกนี้ก็จะสอนอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้เหมือนกันก็ ร, รู้วิธีที่จะทำให้อยู่เฉยๆยังมีความสุขได้เฉั้นถ้าเราอยากจะเรียนรู้ก็มีสองที่ที่เราไปได้คือเรียนรู้กับพระไตรปิฎก หรือเรียนรู้กับพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวกนี้เป็นพระอะไรก็พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกเรียกว่าสุปฏิปันโนพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระที่คนที่รู้จักวิธีสอนสอนวิธีให้เราอยู่เฉยๆได้เราไปเรียนกับพระที่สอนให้เราเจริญสติพุทโธพุทโธไปเรียนกับพระที่สอนใหเรานั่งเฉยๆ นั่งหลับตาถ้าไปสอนไปเรียนกับพระให้ไปทำนู่นทำนี่มันก็ยังไม่เฉยต้องไปเรียนกับพระที่สอนให้เรานั่งเฉยๆอยู่เฉย ๆ, ๆให้เราพุโทโธพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดถ้าเราไปเรียนกับพระอื่นเขาก็จะพาให้เราไปทำนู่นทำนี่มันก็ไม่เฉยถึงแม้จะเป็นบุญมันก็ยังไม่เฉยเช่นสอนให้ชวนให้ไปทา ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างวัดสร้างพระพุท ธ, ธรูปมันก็ไม่เฉยอยู่ดีมันก็ยังต้องทำอยู่ดีมันแล้วก็ต้องไปหาเงินมาทำบุญอยู่ดีเห็นไบางคนนี่ต้องไปหาเงินมาทำบุญกันอันนี้ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าวิธีของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำบุญให้นั่งเฉยเฉยไม่ต้องไปหาเงินแต่ถ้ามีก็ ให้หยุดทํางานแล้วเอาเงินนี้ที่เหลือถ้าไม่ต้องใช้ก็เอาไปทําบุญแล้วมานั่งเฉยๆเข้าใจไหมเป้าหมายของพระพุทธเจ้านี้ต้องการให้เราอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่ต้องไปดินน้นนนหาเงินหาทองไม่ต้องไปดินน้นนนนหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพราะมันไม่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ราะของที่เราหามาได้เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปหมดไปเวลาเปลี่ยนไปหมดไปเราก็ทุกข์ เป็นไปหาแฟนเวลาได้แฟนมาใหม่ๆเขาก็ดีพออยู่ไปสักพักเขาเปลี่ยนไปใหม่ๆก็เอาใจเราพออยู่ไปนานเข้าไม่เอาใจเราแล้วเอาใจเขาแล้วพอเขาเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์ละเสียใจแล้วถ้าเขาจากเราไปเราก็เสียใจอีกเราไม่วันดีคือดีเขาต้องจากเราไปไม่จากเป็นก็จากตาย มันเผื่อเขาเบื่อเราขึ้นมาเขาก็ไปหนีไปอยู่กับคนอื่นก็ได้ไปมีแฟนใหม่เราก็เสียใจไม่ว่าได้อะไรมาเดี๋ยวจะต้องเสียใจมีสิ่งเดียวที่เราได้แล้วไม่เสียใจก็คือความสงบนี่นั่งเฉยๆทำใจให้สงบแล้วเราจะไม่มีวันเสียใจเพราะมันจะไม่จากเราไปถ้าเรารู้จักทำให้มันสงบได้เราก็จะทำมันได้ตลอดเวลา เรอยากจะสงบก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธมันก็สงบแ ล, แล้วถ้าเราอยากจะสงบอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องพุโทโธเราก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นเองทุกครั้งที่อยากทําอะไรก็อย่าไปทํามันทุกครั้งที่อยากจะได้อะไรก็อย่าไปเอามาเพราะถ้าได้มาแล้วมันก็จะทําให้เราเสียใจทีหลัง ทำอะไรสุขขนาดไหนพอทําเสร็จมันก็หมดไปพอหมดก็อยากจะทำใหม่ก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่นั่นอยู่ไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เราอยากทําอะไรแล้วบอกไม่ทําดีกว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่าพุทโธดีกว่าต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เราไปนู่นมานี่ไปทาอะไรต่างๆอยู่เฉยเฉยก็มีความสุข โดยที่ไม่ต้องพุทโธโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในนั่งสมาธิถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรที่เรายังต้องพุทโธเพราะเราต้องเรายังมีความอยากอยู่แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้หมดแล้วไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วเพราะเรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขทุกครั้งที่อยากเราก็ฝืนมันฝืนมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากเหลืออยู่ อไม่เหลืออยู่แล้วมันก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนมันก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะเจ็บก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันแล้วพอตายแล้วก็ไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปฝันดีฝันร้ายไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในอบาย อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวอยู่กับความว่างนี่คือพระนิพพานคือความว่างความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาไม่มีที่ไหนที่จะสอนเรื่องราวเหล่านี้ทุกแห่งทุกขอนี้สอนให้เราทํานูน่นทํานี่ให้วุ่นวายกันไปหมด ไม่มีที่ไหนสอนให้อยู่เฉยๆกันไม่มีที่ไหนสอนให้เราหยุดความอยากกันมีแต่สอนให้เราทำตามความอยากอยากทำนู่นทำนี่ก็ทำไปทำแล้วก็เท่านั้นทำมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถามพ่อแม่ดูที่นี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าตั้งแต่เกิดมาทำมาจนถึงบัดนี้แล้วได้อะไรบ้างลรือเปล่าก็ยังอยากอยู่เหมือนเดิมยังทุกอยู่เหมือนเดิม ยังทุกข์กับลูกทุกข์กับหลานทุกข์กับแฟนทุกข์กับสมบัติเข้าขอ ง, ของเงินทองอยู่เหมือนเดิมเพราะยังมีความอยากยังทุกกับร่างกายยังไม่อยากตายยังไม่อยากเจ็บยังเพราะไม่เคยหัดหยุดความอยากกันถ้าเราหัดหยุดความอยากได้ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์กับใครใครจะเป็นอะไรเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะห้ามเขาไม่ได้ เขาจะแก่ก็ห้ามไม่ได้เขาจะเจ็บก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะตายก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชั่วก็ห้ามเขาไม่ได้นั่นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ชั่วมาห้ามใจเราดีกว่าห้ามใจเราอย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปยุ่งกับสิ่งอื่นแั้นเราจะสบายห้ามใจเราให้อยู่เฉยๆ นี่ละความสุขที่สูงสุดความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่เราไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปยุ่งกับอะไรไม่ไปมีอะไรไม่ไปได้อะไรไม่ไปเป็นอะไรให้ให้อยู่เฉยๆให้หยุดความอยากทุกชนิดอยากแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทําอะไรต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทํางานหาเงินหาทอง พอได้เงินมาก็ต้องวุ่นวายกับการใช้เงินใช้ทองอีกพอใช้เงินทองหมดก็ต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินทองใหม่ก็วุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสงบไม่มีวันไม่มีความสุขสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้เงินมาสุขตอนที่ได้ใช้เงินแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ต้องหาเงินใหม่แล้วก็ใช้ใหม่ก็มีแค่นี้ชีวิตของเรา แล้วก็มาวุว่นวายตอนที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเพราะยังต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนพาเราไปหาเงินพาเราไปใช้เงินอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราเลิกใช้เงินได้เลิกหาเงินได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย<อ>ก็สบายร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับความแก่ความเจ็บความตาย ต, ายต่อไปและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป กแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทุกครั้งไปถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราลองมากระทำกันลองไปหาที่ที่ไหนงเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วคอยควบคุมความคิดเพราะถ้าอยู่กันหลายคนมันควบคุมไม่ได้เดี๋ยวเขามาชวนเราเราก็ต้องคิดเวลาพูดคุยกับเขาก็ต้องใช้ความคิด เราชวยเราไปทำอะไรก็ต้องก็ต้องใช้ความคิดเพราะเราใช้ความคิดสั่งร่างกายให้พูดให้ทำอะไรต่างๆถ้าเราต้องการจะหยุดความคิดเราก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่วัดที่เขาจัดที่พักให้เราอยู่คนเดียวแล้วให้เราคอยควบคุมความคิดของเราให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิควบคุมความคิดด้วยพุทโธพุทโธหรือด้วย การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาเดินก็รู้ว่ากำลังเดินเวลากำลังทำอะไรก็รู้ว่ากาลังทาอะไรแต่ไม่ให้คิดให้รู้เฉยๆเวลานั่งหลับตาก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้พุทโธพุทโธไปถ้าทำอย่างนี้ไปทั้งวันเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวใจก็นิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่ดีกว่าจากการได้เงินทองจากการใช้เงินใช้ทอง เราก็จะเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองได้เราก็ไปหาที่สงบไปทําใจให้สงบดีกว่าก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ ด, ดูทดลองดูไม่ยากจนเกินไปขอให้เรามีความอยากทํานั้นนัเองถ้าเราอยากทําแล้วมันก็จะมีกําลังใจที่จะทํา ขอให้ดูผลที่จะได้จากการกระทําเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปใช้เงินไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวเรื่องเงินทองไม่ต้องใครกังวลเกี่ยวเรื่องของร่างกายต่อไปก็ขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอโิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปะติ ปิตต่างปฏติต่างตุ่มหังคิดป้เมวะสมิจเจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะอาราโสยะธาไมนิโชติอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโุสัพพารโวินัสสตุ มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีขาโยโกาวะอาพิวาธนสีนิษะนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวัานติอายุมนุสุขังพละ จะรับผิดชอบประมวลทุกเช้าอย็นงะคร่บเพราะว่าทุกครั้งที่ก่อนจะสวดบทอื่นๆนะคะเราเป็นต้องสมาทาน15ครั้งแไม่ต้องเรามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็สวดบทอื่นได้เลยได้เลยจะสมาทานเป็นแค่เวลาที่เราไม่มีศีลแล้วเราจะอยากจะถือศีลแล้วก็สมาทานถ้าเราถือศีลอยู่แล้วก็ไม่ต้องสมาทานสมาทานหมายถึงว่าเราตั้งใจจะรักษาศีล ก็ทาก็รักษาไปตลอดได้วันนี้ทางเฟซบุ๊กกับยูทูบเข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้เฟซบุ๊กสูงสุด415ค่ะยูทูบมี121แล้วก็วิทยุมี16ค่ะ5 1 540 552ค่ะ552ก<อ>ราบนะมาสก์ผ้าจานเจ้าค่ะใกล้ๆหน่อย อ, อยากถามผูจาจัดว่าเสียงค่อยแล้เกินอยากถามผู้จย์เจ้าค่ะว่ า, า, าก่อนหน้านี้คือคือเรายังไม่เคยรู้วิธีที่จะแบบาการดำเนินชีวิตอะไรยังไงพอพอมาณนะปัจจุบันนี้ก็คือเราก็มีครอบครัวมีธุรกิจมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะ แล้วเราจ ะ, อ, ะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าใช้ธรรมะมาปฏิบัติแล้วอยู่กับสิ่งที่ที่อยู่ในปัจจุบันนะคะแบบธุรกิจหรือว่านี่สินแล้วก็ลูกครอบครัวนะคะอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเจ้าค่ะ ก็ต้องอยู่แบบปล่อยวางอยู่กับสิ่งท right? ี่เราอยู่ต้องปล่อยวางได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอยู่ก็อยู่ไปก็ไปอย่าไปยึดอย่าไปติดเขาจะนะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าเขาจะจากเราไปก็ปล่อยเขาไปเขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปอย่าไปอยากให้เขาดีอย่าไปอยากให้เขาอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวเกิดเวลาเขาไม่ดีเวลาเขาไม่อยู่เราจะทุกข์ใจกัน เพราะทุกอย่างจะต้องไปไงไม่ไปช้าก็ไปเร็วไปก่อนไปหลังไม่ไปตอนเป็นก็ไปตอนตาย<ช>ก็คือมันไปด้วยกันเทรานั้นเนะพระเจ้าสอนบอกให้นึกถึงอนิจจังอยู่เรื่อยๆไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อม<ช>ของที่ดีไม่เอาเนี่ยของที่ไม่ไม่เสื่อมไม่เอาความสงบนี้ไม่เสื่อม ทำใจให้สงบแล้วมันจะไม่เสื่อมแต่เขาอย่างอื่นมันเสื่อมไม่ว่าเป็นลาบยศสรรเสริญธุรกิจเงินทองครอบครัวมันต้องเสื่อมต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องพร้อมให้เขาจากกันอย่าไปยึดไปติดคิดว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่ใช่หรอเวลาเรามาเรามาตัวเปล่าๆไม่ใช่หรอ เราก็อยู่ได้ตอนเป็นเด็กเราก็ไม่มีสามีภรรยาไม่ให้เลยเราก็ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ไม่มีลูกเราก็อยู่ได้ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราก็อยู่ได้ไม่มีสมบัติเราก็อยู่ได้อาศัยสมบัติของพ่อแม่กินข้าววันมีข้าวกินไปวันละวันวันก็พออยู่ได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรเลยให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้อยู่อย่างมีความสุข ไม่งั้นเราจะอยู่อย่างหวาดวิตกกังวลห่วงใยกลัวว่าจะเสียของที่เราจะมีไปแล้วเวลาอยากได้อะไรก็วุ่นวายใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาก็ห่วงห่วงอีกแต่ถ้ารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราวันดีมันจะต้องมีวันพัดพาคจากกันเป็นธรรมดา ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจแต่เราอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะเราอยู่เพราะเราติดเรายึดเราติดเราต้องมีมันเพราะเราอาศัยมันให้ความสุขกับเรานั่นเองพอไม่มีมันเราก็เลยทุกข์กันถ้าอยากจะอยู่แบบที่พูดดีต้องไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราต้องอาศัยความสงบให้ความสุขกับเรา ถ้าเรามีความสงบให้ความสุขกับเราแล้วเราก็ไม่แคร์เกกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะมีไม่มีจะเกิดจะดับนี้เราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องมีเวลามันไม่มีเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาอย่างหัดมาหัดหาความสุขสำรองไว้ดีกว่าเผื่อเวลาไม่มีอะไรเรายังจะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นเหมือนนักบินเวลาขึ้นเครื่องบินก็มีร่มชูชีพไว้ เสือเครมินตกมันยังจะได้มีร่มชูชีพประครับประคองอไม่ให้มันกระแทกกับพื้นถ้าเรารู้จักนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาแฟนตายไปเราก็ไปนั่งสมาธิมันก็ไม่ทุกเวลาลูกตายไปเราก็ไปนั่งสมาธิมันก็ไม่ทุกเวลาเงินหมดเราก็ไปนั <S <S ่งสมาธิเราก็จะไม่ทุกแต่ถ้าเราไม่หัดนั่งสมาธิไว้เราก็นั่งไม่เป็นพอถึงเวลาจะนั่งก็นั่งไม่ได้ ตอนนี้หัด น, นั่งสมาธิไปทุกวันเถิดแล้วจะมีเหมือนมีร่มชูชีพเวลาเครื่องบินตกก็จะได้ไม่กระแทกกับพื้นอกางล่มชูชีพได้นะหัดทําสมาธิบ่อยๆทําให้เป็นนิสัยทําทุกวันแล้วต่อไปเวลามีความเสียใจมีความเศร้าใจก็ไปนั่งสมาธิแล้วความเสียใจเศร้าใจก็จะหายไปอะคาถาม คำถามจากคุณสิริเพนมีคนเคยบอกว่าให้สมาทานศีอุโบสถในวันพระจะช่วยลดกรรมได้จริงไหมคะอ่าก็ทํากรรมน้อยลงไงล้ว ถ, ถือสีแปดมันก็นอนกับแฟนไม่ได้แนละกินข้าวเย็นไม่ได้นี่ก็ลดกรรมนะกรรมก็บ้าว่าการกระทำก็ใช่ไหมไม่ใช่แปลว่าบาปแปลวการก ร, ระทําอบาปด้วยไม่ฆ่าสัตว์มันก็ลดการกระทําบาปเอ ไม่นอนกับแฟนก็ลดกิ จ, จกรรมไปต่อไปก็ไม่ต้องนอนกับแฟนได้ถ้านอนกับแฟนมันก็มีกรรมต้องนอนกับแฟนอยู่เรื่อยๆพอเล้กนอนกับแฟนได้ต่อไปก็ไม่ต้องนอนกับแฟนก็กรรมน้อยลงไปคำถามจากคุณกูณจะหาจิตเจอได้ยังไงคะก็พุทโธไงพุทโธนี่จะทาให้เราไปพบกับตัวผู้รู้ผู้คิดพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตสงบ เราก็จะพบกับผู้รู้คําถามจากคุณธนรงค์นานๆเข้าจิตไม่กระเพื่อมไม่ว่าสวดมนต์ไม่ว่าทําอะไรขอกราบน้มสักการถามครับว่าจิตเป็นอะไรไปเอาจิตมันนิ่งอมันก็ไม่กระเพื่อมเหมือนน้ะน้ามันนิ่งมันก็ไม่กระเพื่อมแต่มันมันไม่มันนิ่งเพราะมันไม่มีอะไรมากระทบมันนัเช่นน้ํามันนิ่งเพราะไม่มีใครโยนก้อนหินลงไปในน้ํำใช่ไหม แต่ถ้าใครโยนก้อนหินลงไปมันก็กระเพื่มอมจิตเราเวลานั่งสมาธิอยู่คนเดียวมันก็นิ่งมันก็ไม่กระเพื่อมแต่พอมาเหตุคนเข้าได้ยินเสียงเขาพูดไม่ดีเข้าใจก็กระเพื่อมขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องหาวิธีแก้วิธีที่แก้ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพอกระเพื่อมก็ต้องพุโทโธพุโทโธหยุดมันให้หายกระเพื่อมถ้าไม่อยากให้มันกระเพื่อมเลยก็ต้องใช้ปัญญา เพราะเหตุที่ใจเราก็เเพื่มเพราะเรายังไปรักไปชังไปกลัวไปหลงอยู่พอเห็นอะไรเรารักก็กลับเพื่มขึ้นมาเห็นอะไรเราชังก็กลับเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเรากลับเพิ่มก็ต้องใช้ปัญญาให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราเห็นนี่มันเป็นตายรักไปหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ไม่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงแล้วเราก็จะไม่กับเพื่มเวลาเห็นอะไรต่อไป เห็นว่าทุกอย่างเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกใจเราก็ไม่กระเพื่อมแต่เสียงฟ้าร้องใจเราก็ไม่กระเพื่อมดังขนาดไหนเราก็ไม่กระเพื่อมแต่เสียงคนด่านิดเดียวซุบซิบนินทาหน่อยเดียวก็กระเพื่อมขึ้นมาเนะพราะเราไปชังเราไม่ชอบเสียงนินทาเราชอบเสียงสรรเสริญยังมีรักมีชังอยู่เราต้องมองว่ามันแค่เป็นแค่เสียงอย่าไปรักไปชังมัน เสียงนินทาก็เป็นเสียงเสียงเสียงสารเสริก็แค่เป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องหมาะให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ลักไม่ชังกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วใจเราจะไม่กระเพื่อมเห็นอะไรก็เฉยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยขับรถทับแมวตายซึ่งแมวตัวนั้นวิ่งออกมาจากบ้านที่ตั้งอยู่ริมถนน แล้ววิ่งเข้าที่ลอรถด้านหลังดิฉันไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะพอะไม่เห็นจริงๆวันนั้นทำบุญถวายสังฆทานรู้สึกเสียใจแล้วยังติดอยู่ในใจอย่างนี้บาปมากแค่ไหนคะไม่บาปเลยเราไม่ได้มีเจตนาเขาวิง่งเขาข่าตัวตายเนี่ยขาอาศัยเราเป็นเครื่องมือ <laughs> เขาอยากจะตาย <laughs> เขารอจังหวะพอมีรถมาเขาก็วิ่งเข้าไปหาเรา <laughs> เราไม่บาปเราไม่มีเจตนาไ ม, ไม่บาปถ้ามีความตั้งใจนะบาปขับรถไปเห็นแมวมันอยู่ข้าง น, นถงนนเราฉลบเข้าไปชนมันนี่ถ้าเยี่ยบาบาปถามจากคุณรูจีนะคะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิโดค่ะ ทางอินเทอร์เน็ตก็มีมากมายจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรคะว่าจะเลือกศึกษาจากแหล่งที่มาที่ใดเพื่อให้ได้ใกล้เคียงจากความจริงที่สุดคะก็ทางทางเขาเรียกอะไรทางศาสนาที่เรียกว่าเป็นการศึกษาของพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็มีตำราอยู่สามเล่มเรียกว่านักธรรมตีโทเอกอันนี้ก็จะ เป็นการเริ่มต้นเป็นเหมือนดูแผนที่คร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนักธรรมตรีก็จะสอนประวัติของพระพุทธเจ้าสอนพระวินัยของพระสงฆ์ศีลของพระสงฆ์แล้วก็ทำต่างๆทีพ่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน mm hmm. ก็ไปนองค้นหาคําว่านักธรรมตรีดูก็ได้นีอาจจะมีตําราที่เข า, าใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตนักธรรมตรีโทเอก เ้ายังไม่พออยากจะมากกว่า น, นั้นก็เข้าไปอ่านพระสูตรต่างๆพระสูตรที่สำคัญก็มีอยู่สามสี่พระสูตรเช่นกรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นพระสูตรขั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแ ส, สดงธรรมทรงแสดงแก่นของศาสน า, าคือมรรคแปดอริยสัจ ส, สี่แล้วก็ศึกษาสติปัฏฐานสูตรทรงสอนวิธีปฏิบัติให้จเจริญสติสมาธิปัญญา เพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้สองปสูตนี้สำคัญธรรมจากกัปวัตนสูตรกับสติปฐานสูตรหรือมหาสติปฐานสูตรอันเดียวกันแล้วก็อีกอันก็คือมงค ล, ลสูตรมงคลสามสิบแปดวิธีสร้างม ง, มงคลให้แก่ชีวิตมีสามสิบแปดข้อด้วยกันเช่นไม่คบคนพาลหนึ่งไม่คบบัณฑิตหนึ่งบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาหนึ่ง เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเนี่ยถ้าเราศึกษามงคลสามสิบแปดข้อแล้วเราปฏิบัติตามได้ชีวิตเราจะมีแต่ความมงคลจะไม่มีอัปมงคลมีแต่ความสุขความเจริญนะก็ลองศึกษาเหล่านี้ดูแล้วถ้าไม่ละเอียดแล้วก็ค่อยไปค้นหาต่อว่าคนถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจความหมายเราก็ต้องค้นต่อศึกษาต่อไปคาว่าพานแปลว่าอะไรเนะื้อ คืมันมีมันมีที่เขาจะขยายความให้ทีเช่นคบบัณฑิตคบยังไงแล้วก็ลองใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้คบบัณฑิตคบยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมีคําตอบมาเองมีคําเทศของพระครูบาอาจารย์ต่างๆสอนวิธีคบบัณฑิตให้คบยังไงดูบัณฑิตดูอย่างไรดูคนพาลดูอย่างไรเขาต้องค้นคว้าหาศึกษาเอาคําถามจากผู้แม่ประสงค์ออกนามเรื่องการใส่บาตร มีพระสงฆ์ที่ยืนประจําหน้าร้านขายชุดใส่บาตรประจําทุกวันสมควรหรือไม่และถ้าเราใส่จะได้บุญหรือไม่ครับคนใส่เนี่ยได้นีแต่คนรับนี่อาจจะไม่ได้ถ้าท่านทําด้วยกิเลสท่านก็จะได้กิเลส ท, ทำได้ทำด้วยความโลภแต่ถ้าท่านทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงชีพพ อ, อยืนตรงนั้นพอได้อาหารพอก็กลับวัดนี่ก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนเพราะสมัยนี้คนในเมืองเขาไ ม, ม่เขาไม่ใส่บาตร เขาไม่ใส่บาตรตามบ้านกันแล้วเนี่เขาไม่ทํากับข้าว ก, กินกันเขาไปซื้อกับข้าวใส่บาตรที่ตลาดกันเอ๋ภาคก็ต้องไปยืนอยู่แถวนั้นแหะเพราะไปที่ตามบ้านยังไม่มีใครเปิดบ้านมาใส่บาตรก็เลยต้องยืนถ้าถ้าไม่ให้หน่าเกลียดก็อย่ายืนเดินไปเดินมาเดินวนไปวนมาเดินไปเทละรอบถ้ารอบหนึ่งไม่พอก็กลับมารอบที่สองนี่ภาก็ไม่ฉลาดเขาก็ยืนขี้เกียจเดินก็ไลยืยนรองตรงนั้น ทีพระ ก, ก็มีสองแบบพระแบบโลภคือเต็มบาทแล้วก็ถ่ายให้แม่ค้าไปแล้วก็เอาเงินจากแม่ค้ามาไปไปใช่ยังงี้ก็ไม่ควรการบินทบาทเพื่อเลี้ยงชีพไม่ให้หาเงินหาทองนั่นเองทีวิธีการเดินบินทบาทมันสมัยนี้มันก็ต้องปรับไปกับสภาพแวดลอ้อมสมัยก่อนญาติโยมอยู่ตามบ้านกันแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวนนัดนี้เจ้าบ้านเขายังอยู่ตามบ้านกันก็เดินผ่านบ้านได้ แต่ในเมืองนี้เขาไม่อยู่ในบ้านกันแล้วเนี่ยแต่เชาวก็ออกไปทํางานกันไม้นเขาอยากจะใส่บาตรเขาก็จะไปซื้อของที่มีเขาร้านเขาทําเตรียมไว้แล้วพระก็ต้องเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นอ่ะถ้าอยากจะได้อาหารคุณจันทนากรณีเจอเพื่อนร่วมงานพูดจาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ผู้อื่นเราควรจะทําอย่างไรดีคะก็เรื่องของเขาน่ยม้าจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไป ใช่ไหมมันไม่ เ, เรื่องของเราเราถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามเขาก็แล้วกันาาจกคุณพีโกถ้าพบอาหารหรือเครื่องดื่มที่ชอบขอวิธีพิจารณาเพื่อลดความอยากครับ ก, ก็อย่าไปกินมันสิถ้ากินเพราะความอยากก็อย่าไปกินเลือกของที่เราไม่อยากกินเดี <S <S ๋องหัดกินของที่ไม่อยากมันจะไม่เป็นกิเลสถ้าไปกินของอยากมันจะติด แ้วเวลาไม่ได้กินมันจะทุกข์แต่ถ้าเรากินของนี่เราไม่ไม่ชอบได้ต่อไปเรากินอะไรก็ได้สบายหรือถ้าอยากกินของที่เราชอบก็เอามาคุกใส่ชามใบเดียวกันเลยของต่างๆข้าวเอ้ยขนมเอ้ยผลมไม้เอ้ยกาแฟเอ้ยเทมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องไม่ใช่เหรออ่ามันจะมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีก็รวมมันในชามก่อนก็ได้นะวะนี้กินกินเพื่อฆ่ากิเลสต้องกินแบบนี้ ต้องครกมันเหมือนกินข้าวหมาแล้วต่อไปมันกินอะไรก็กินได้ <laughs> อ, า อ, าอา้อาวตอนที่ิพูดดังๆหน่อยจะรวมน ะ, นะคะที่ที่ว่ามันมันจะตกหลุมตกบอ่อ น, นะคะ่ะตอนก่อนที่มันจะลงมัน มันวุบลงไปนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้มันก็เกิดอาการตกใจอ่ก็เริ่มใหม่กรทําใหม่ใช้สติยังอ่อนอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะมันมันอ่ามันมันไม่เหมือนกับเราเดินดื่นลื่นนุ่มมันก็อาจจะตกใจได้ก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าใกล้แล้วแล้วต่อไปมันจะตกก็เฉยๆลุ่เฉยๆไปสาธุเจ้าค่ะแต่ตอนที่มันจะตกนะมันยังรู้อยู่เจ้าค่ะมันยังพอประคองได้แต่มันวุบ <c oughs> แล้วมันสะดุ้งเลยเจ้าค่ะอ่าไม่กระไดใหม่ๆก็อย่างนี้เน <c oughs> ี <c oughs> ่ยหต่อไปมันวุบแล้วก็เฉยๆไป <c oughs> รู้แล้ว <c oughs> ว่าไม่มีอะไรอทำใหม่ต่อไปขอบคุณเจ้าค่ะแต่อย่าไปคิดถึงมันข่าวหน้านั่งอย่าไปคิดถึงตอนที่มันวุบถ้าคิดแล้วมันไม่วุบนะต้องลืมมันไปให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับลมไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเหมือนคนตาบอดเดินไปข้างหน้า จะชนต้นไม้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดินไปจะกลับมันจะชนตั้งเขาไปก็อย่างเงี้ยต้องนั่งแบบนั้นอย่าไปนั่งแบบคอยคอยเฝ้าดูจะวุบหรือยังจะวูบหรือยังอย่างนี้ไม่วุบนะต้องเหมือนคนไม่รู้ไม่ชี้หลับหูหลับตาเดินไปข้นนางนอาหลุมบ่ออยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะถึงเวลามันก็ลงไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอ แล้วพอเรานั่งไปนั่งไปรู้สภาวะของเราตลอด อ, อย่างนี้ครแต่เขนั่งไปเรื่อยๆไม่ได้่จะเห็นตัวเน อ, อแต่พขนั่งไปนั่งไปรู้สึกสบายทุกอย่างมันโยงตัวกองจิตเริ่มสงบไงแต่ว่าลองหายใจเข้าออกคือเรารู้สภาวะของเราหมดแต่นั่งอยู่ไปได้ครับประมาณ สองสามถึงสาชั่วโมงอย่างเงี้ยอ่าก็ดีถ้ามันนั่งนิ่งเฉยเฉยสงบไม่มีอะไรมีแต่ความสบายก็แต่เรื่องอก็นั่งตอกวูบลงอย่างเงี้ยควนั่งไปเรื่อยๆต่อไปไม่วูบก็ได้ไม่วูบก็ได้ไม่มาอจะวูบต่อไปอ จ, จะไม่วูบก็ได้กำลังหังจะไม่วูบ อ, อ่ก็ได้เหมือนกันขอให้มันนั่งเฉยเฉได้ก็แล้วกันนั่งเฉยเฉแล้วมีความสุขไม่หงุดหงิดลำคาญใจไม่คิดอยากจะลุกไปทํานู่นทํานี่อ ย่งลบตาไปตลอดเลยไม่อยากลุ้ตามาดูแผ่ทองอ่าเพราะยุง่งไงข้างนอกมันยุง่งข้างนอกมันร้อนข้างในมันเย็ น, นเนาขาบอกมาพอออกมาแล้วที่เรายังมีอ่าพอออกมาแล้วต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทําไปตามหน้าที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันตายไปก็ออกไปไม่ได้คิดอย่างนี้มันก็จะไม่วุน่นที่วุ่นเพราะมันต้องได้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นมันก็เลยวุ่นขึ้นมาไม่เป็นก็ไม่เป็นเลย ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เท่านั้นเองไม่ได้เดี๋ยวก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ความสุขเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆความสุขของเราอยู่ที่การนั่งสมาธิแ้าถ้าอยู่ในสภาวะอีกเหมือนเราออกจากกรรมฐานมาเนี่ครับพอมาอยู่กับภายนอกก็ประมาณเที่วโมงสองเที่ยงโมงความรู้สึกของเราอยากกลับไปนั่งกรรมฐาน่าอีามันใจมันร้อนไงมันกมน็มันเหมือนกับมันหิวหิวกับความสงบหิวกับความเย็นมันก็กลับไปสิ การความอยากนั่งสมาธิไม่เสียหายตรงไหนความอยากเที่ยวน่ะเสียหายแต่ความอยากนั่งสมาธิไม่เสียหายเพราะเราทําได้ตลอดเวลาแต่อยากเที่ยวนี่บางทีอยากก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินหรือไม่สบายก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็จะทุกข์แต่ความอยากนั่งสมาธินี้เราทําได้ทุกเวลาทําแล้วได้ความสุขถ้าอยากอะไรแล้วมันเป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่ไม่เสียหาย ถ้าอยากอะไรแล้วมันเป็นทุกข์นะแล้วมันเสียหายอย่าไปทำมันอยากในลูกเสียงกิ่นรถอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังนี่มันเสียหายเพราะบางเวลาอยากแล้วไม่ได้ดูมันก็จะทุกข์แต่อยากนั่งสมาธิถ้าเราเคยนั่งได้เราก็นั่งได้ตลอดเวลาเข้าใจโอเคอยากถามพระอาจารย์ว่า อ, อานิสงของการสวดมนต์นะเจ้าค่ะคือสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันก็คื อ, อบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็สวดไอ้บทพาหุงแล้วก็พวกคือเราทากรรมฐานนะเจ้าค่ะคือคือเราทาอยู่ที่บ้านแล้วพอตอนเช้าคือเรา ทำกิจการนะเจ้าคะ่ะก็ก็มีคนมาใช้บริการที่ร้านก็คืออยู่อยู่ที่ร้านจะเป็นเออร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขายอะไรนะเจ้าคะ่ะแล้วกลายเป็นว่างานก็เข้ามาเยอะเงินก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็เข้าเข้าร้านเยอะแล้วเราก็เลยมาเ พ, พียนแบบอ่าสวดมนต์มันเป็นการที่แบบว่าเขาถือว่าเป็นเป็นกิเลสหรือเปล่าเจ้าค่ะ การส่วนมันไม่ได้ทําให้ขายดีหรอกถ้าขายดีทุกคนก็ส่วนเงินกันหมดเลยจังหวะมันจะขายดีเพราะว่าขายดีมันไม่เกี่ยวกันเราไปจับแพะชนแกะเองเจ้าค่ะแล้วก็กิเลสก็เข้ามาเกี่ยวส่วนเงินดีขายดีเลยต้องส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวเกิดปัญหาขายไม่ดีก็ทําไงอ่ะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าช่วงไหนแบบถ้าถ้าท่านไหนแล้วก็บางวันอาจจะไม่ได้ส่วนแบบ ต่อเนื่องอะไรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะก็กลายเป็นแบบว่าองานว่างอะไรอย่างนี้เจ้าคะ่ะก็เลยสงสัยคิดไปเองเออส่วนนี้เพื่อให้ใจสงบให้ใจมีสติไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายใจไม่ได้เกี่ยวกับการค้าเหมือนพระส่วนวันนี้ก็ดีเแต่ค้าขายดีขายพระขายอะไรได้สาธุธรรมเจ้าคะ่ะ ถามจากคุณแฮกิตค่ะในการกําหนดจิตให้สําเร็จตามคําอธิษฐานต้องทําอย่างไรครับต้องใช้สมาธิในระดับขั้นไหนต้องเป็นโสดาบันหรือเปล่าครับเราต้องการอะไรแล้วเราต้องการเงินก็ต้องไปหาเงินเราต้องการทํำเราก็ต้องไปหาทําอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรไม่เข้าใจคําถามคําถามเขาต้องการอะไรอธิษฐานอะไรเขาไม่บอกใช่ไหม เหมือนในการกําหนดจิตให้สําเร็จตามคําอธิษฐานนะคะน่าในในอธิษฐานอะไรลนะ่ะอธิษฐานเป็นโจรอธิษฐานเป็นเศรษฐีอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้ามันอธิษฐานเข า, เขาว่าอธิษฐานคือความตั้งใจตั้งเป้าอยากจะเป็นนายกก็ต้องไปปฏิวัติเนี่ยสมัยนี้ไปเป็นทหารหรือไม่ใช่แล้เขาไปเป็นนักการเมืองสลับกันบางทีก็ทหารเป็นนายกบางทีก็นักการเมืองเป็นนายก คำถามจากคุณกุ้งสอบถามเรื่องการปฏิบัติระหว่างการที่เราเลือกแยกตัวออกไปปฏิบัติในที่วิเวกสงบเพียงลำพังและการปฏิบัติที่บ้านแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะกาที่บ้านและมันไม่สงบเยิยที่บ้านมีลูกมีเจ้ามีเด็กมีผู้ใหญ่มีเสีย ง, งอกรกทึกคุกโคมมันก็ทำให้ฝึกสติยากนั่งสมาธิยาก คำถามจากคุณชวนเมื่อก่อนตื่นนอนฝันว่าบริกรรมเกสาโลมานัขาทันตาตาโจไม่เคยฝันแบบนี้เลยเมื่อคืนเป็นครั้งแรกอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าไม่เคยฝันแบบนี้ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับอาก็มันอยากจะฝันก็ไปห้ามมันได้ที่ไหนเนาะมันจะฝันก็ฝันมันฝันไปเลย ก็ให้รู้ว่ามันฝันดีก็แล้วกันเป็นเพราะว่าตอนที่เราตื่นเราเคยท่องถ้าเราเคยท่องเกษาโลม า, มาเวลานอนหลับมันก็จะท่องได้คำถามจากคุณสุริยาถ้าหากเราภาวนามาสักระยะหนึ่งแล้วเกิดความสุขขึ้นแล้วพอออกจากสมาธิมามีความรู้สึกแปลกเกิดขึ้นกับเราเช่นความเกลียดค้านลดลงและไม่อยากคิดเรื่องของอดีตและอนาคต อยากอยู่เฉยๆไม่อยากดิ้นรนไม่อยากร่ํารวยเหมือนเมื่อก่อนแบบนี้ถือว่าปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ครับ อ, อถูกทางล้ถ้าจิตสงบมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่มันก็อย่าไปชะล่าใจเนี่ยมันอาจจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวซักพักหนึงเดี๋ยวไปเห็นเงินเห็นอะไรเห็นลดเก่งลดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวกิลด์กนะิเลสมันก็อาจจะตลบหลังเราได้อีกทีระวัง ม, ม, มันจะหลอกเราคิดว่าเราบรรลุแล้วต้องคอยสังเกตใจอ ย, อยู่เรื่อยๆ ความมันรู้จริงหรือเปล่าเบื่อจริงหรืเอเปล่าเรื่อเบอื่อๆอยากๆเดี๋ยวพอไปเห็นอะไรที่ถูก อ, อกถูกใจขึ้นมาก็เกิดความอยากขึ้นมหมีกคำถามจากมนุษย์ผมนอนฝันเห็นพระเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วประเทศและเทพเป็นประจําสาเหตุเกิดจากอะไรครับก็เพราะเวลาตื่นเราคิดถึงท่านอยู่เรื่อยเราไปกราบดูภาพของท่านอ่านประวัติของท่านมันก็ถูกบันทึกไว้ในใจของเรา พอเนอนหลับไอ้สิ่งที่เราบันทึกไว้มันก็เอามาแสดงให้เราดูแต่ตอนเราหลับนะท่านนึงบอกว่าให้บันทึกแต่สิ่งที่ดีเช่นทําความดีเราก็จะบันทึกแต่เรื่องดีๆถ้าเราทํำบาปเราก็จะบันทึกแต่เรื่องไม่ดีพอนอนหลับไอ้สิ่งที่เราบันทึกก็เหมือนเทปที่เราไปถ่ายวีดีโอไว้พอนอนหลับมันก็จะฉายให้เราดูคําถามจากจาย์เอก แหวนนาฬิกาเสื้อผ้าต่างๆที่ซื้อมาก่อนหน้าจะถือสินแปดถ้าจะใช้แต่ของเดิมๆที่มีมาก่อนในขณะที่ถือสินแปดโดยจะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรมาเพิ่มอีกจะได้ไหมครับผิดหรือเปล่าครับก็ถ้าพวกเครื่องประดับนี้เขาก็ไม่ให้ใช้นะถ้าถือสินแปดแต่เสื้อผ้านี้ได้ไม่ต้องชุดขาวก็ได้เสื้อผ้าที่เราเคยใส่นี้ก็มันสินแปดไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้านอกจากว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อความสวยความงามก็อย่าไปใส่ เสื้อผ้าที่ใส่แบบเรียบง่ายเสื้อผ้าที่อยู่กับบ้านอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเสื้อผ้าแบบหรูหราฉูดฉาดสีสันนี่มันก็ไม่เหมาะกับผู้ที่ถือศีลแปบดบเพราะว่ามันยังถือว่าเป็นการเสริมความสวยความงามให้ทางร่างกายอยู่คําถามจากคุณนัทนทิลาเวลาเราทําวัดสวดมนต์เราก็สวดไปเข้าใจบท บ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะการสวดมันก็มีประโยชน์สองสองทางถ้าสวดไปไม่คิดอะไรก็ได้สติได้สมาธิได้ความสงบถ้าสวดไปแล้วเข้าใจความหมายก็ได้ปัญญาได้ความรู้บทสวดมนต์นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นธรรมจกกักรปวัตตนสูตรนี้ก็เป็นบทสวดมนต์ ถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้เราปฏิบัติอะไรคําถามจากคุณปาณีตอนนี้มีอาการเหงาหงอยเศร้าซ้อยาอายุห้าสิบแปดแล้วค่ะหาเวลาไปรักษาศีลกลับมาบ้านก็เป็นเหมือนเดิมขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะใจไม่สงบใจมีความอยากอยากมีเพื่อนอยากทําอะไรพอไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวไม่ได้ทําอะไรก็เหงา นั้นก็ต้องพยายามทำใจให้สงบอยู่บ้านก็นั่งสมาธิไปพุทโธพุทโธไปถ้าใจสงบแล้วใจก็จะหายหเหงียาคำถามจากคุณผู้หลงทางดิฉันเคยกล่าวกับผู้สอนภาวานาสายเตโชอันโด่งดังในปัจจุบันว่าจะขอทำงานถวายท่านจนตายแต่ตอนนี้ทราบว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นจริงจะแก้ไขกับคำกล่าวที่ไปแล้วนั้นได้อย่างไรดีคะ ก็ไปบอกคนที่เราขอว่าขอเปลี่ยนสัญญาก็มันเป็นการทำความทําสัญญากับคนนั้นใช่ไหมจะรับใช้เข้าไปจนมันตายแล้วพอถึงเวลาเราบอกว่าตอนนี้ผมทำไม่ได้แล้วขอเปลี่ยนสัญญาได้ไหมถ้าก็บอกได้ก็ถือว่าก็จบไปแต่ถ้าบอไม่ได้ก็ต้องทำถ้าไม่ก็ถือว่าเราโกหกหลอกลวง งั้นก่อนจะพูดอะไรเขาบอกว่าเราเป็นนายของคำพูดพอเราพูดไปแล้วมันเป็นนายเราอะอย่างเงีั้นก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนว่าจะทำนู่นทำนี่ทำได้จริงหรือเปล่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนตอแหลได้หลอกลวงได้งั้นจะพูดอะไรเกี่ยวกับอนานะคตให้พูดแบบสองแง่สองมุมดีกว่าไม่แน่อาจจะอย่างนี้อ่า ถ้าถ้าอย่างี้มันก็มีทางออกนะถ้าผมทำได้ผมก็ขอถวายชีวิตรับใช้ท่านตลอดชีวิตเงี้ก็มีคำว่าท่าอยู่มันไม่ <laughs> เพราะอนาคตมันไม่แน่นอนอ่ะใช่หมมันอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งเขาทั้งเราคำถามจากคุณพีโกฟังธรรมและปฏิบัติจากพระอาจารย์เกือบปี แต่เมื่อเจอการทดสอบเรื่องความอยากคิดว่าไม่ผ่านการทดสอบอย่างนี้เรียกว่าทัพพีไม่รู้รดแกงหรือเปล่าครับรู้แต่ยังไม่มีกําลังพอรู้ว่าสอบตกก็ถือว่ายังเป็นลิ้นอยู่เพียงแต่ว่าต้องสร้างพลังสู้กับความอยากคือสติให้มากขึ้นสมาธิให้มากขึ้นปัญญาเรามีแล้วเรารู้แล้วว่าข้อศึกษาตัวของพวกเราเคือความอยากแต่เราไม่มีกําลังสู้มัน เราต้องมาฝึกสติให้มากๆให้จิตมันรวมตกหลุมตกบ่อให้ได้ถ้ามันรวมตัวแบบตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะมีกําลังสู้กับความอยากได้คําถามจากคุณวิทนอนหลับแล้วฝันมากมายพอตื่นนอนก็ชักพอตื่นนอนตอนเช้าเพลียมากเป็นอย่างนี้บ่อยมากควรทาอย่างไรดีครับก็หาฝึกสติันั่งสมาธิแล้วจะลดความฝันได้ ว่าเราจะนลดความคิดต่างๆได้ผู้ฝากถามพระอาจารย์คะถ้าเราต้องพิจารณาคนเข้าทํางานแล้วเราดูแล้วว่าเขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ทํางานอย่างเสร็จสิ้นได้แล้วไม่ผ่านงานเราจะต้องผูกวิบากกรรมกับเขาไหมเจ้าคะอ๋อไม่ไ ม, ไม่ไม่ผูกหรอกเราก็ทําตามหน้าที่เราไม่มีอคติเราไม่ได้ทำเพราะเรารักเราเราชังเขา เราทำเพราะว่าเขาไม่อยู่ในเกณฑ์เหมือนอาจารย์ที่ตรวจคะแนนเด็กเด็กทําข้อสอบทําผิดก็ต้องบอกว่าผิดไม่ใช่เด็กผิดจะเอาครูจะเป็นเวรเป็นกรรมกันก็เลยให้เต็มงนี้มันไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วเด็กก็ไม่มีเวรมีกรรมกับครูอาจารยร์เพราะรู้ว่ามันท่านทําตามหน้าที่คนที่เขามาสลัคงานแล้วเราทําตามหน้าที่เขาก็จะไม่มีเวรมีกรรมกับเราเขาก็รู้เขายอมรับได้ว่ามันเป็นความบกพร่องของเขา นั้นก็จะไม่มีเวรมีกรรมกันแต่ถ้ามีอคติเนี่ยจะมีเวรกรรมได้อถ้าเราทำเพราะเราไม่ชอบเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเรากลับมา ก, ก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวานไปใส่บาตรเห็นพระรูปหนึ่งท่านเดินขาไม่ปกติลูกเลยถามเพื่อนดูว่าท่านเป็นอะไรวันนี้ลูกเดินลื่นเจ็บหัวเข่ามากเลยเดินแบบท่านเป็นเพราะว่า รู้ว่าท่านหรือเปล่าคะเรียกกรัมตามทันหรือเปล่าออไม่รู้เหมือนกันไม่อยากจะพูดมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะคำถามจากนายชานุดมนั่งสมาธิดูลมหายใจออกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวโดยไม่บริกรรมพุทโธได้หรือไม่ครับได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ได้เอาสองอย่างมารวมกันก็ได้ แล้วแต่ความถนัดหมดแล้วเหรอ่ะเดี๋ยวอีกสิบนาทีมาจากที่ไหนปัตยาเคยมาเลยนะผมมาที่นี่หาัอายไปนานหน่อยช่กิยทอะไรี้ะเปิดคาแครฮะคาแคร์เยดเยอะไหมลูกค้าเยอะไหม ไไม่หลอดอยู่บ right ้านปฏิบัติสบายกว่าแต่ก็ย uh> ังถ้ปฏิบัติมาสี่ปีห้าปีีนี้แล้วหลังๆก็ของไว่มาไปทำให้เขาหนักขึ้ะเปิดให้เขาพอเปิดเกินเสร็จเราก็ไม่ทำอ๋อที่แค่เราทำแต่ผมก็ไม่ทำก็ปิดไปถ้าเราไม่เดือดร้อนก็ช่างมันทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเอง ไม่ได้ทเพื่อให้ร่าให้รวยหรือทำเพื่อเอาเงินไปซื้อนุ่นซื้อนี่ไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยมีอีกไหมมีค่ะวาคมาคำถามจากคุณจานเอกอยากถือสินแปดแต่อาชีพเป็นช่างตัดผม <c oughs> ต้องสัมผัสการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมหลายอย่างหลายยี่ห้อ <c oughs> เพื่อบริการลูกค้าถ้าแบบนี้แล้วจะผิดไหมครับอ๋อไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ได้ใช้เพื่อตัวเราเองอถ้าใช้เพราะมันเป็นหน้าที่ เป็นคนขายเครื่องสำอางนี่ไม่ผิดแต่ตัวเองไปใช้ด้วยก็แล้วกันนอกจากว่าจะต้องอสาธิตอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าสาธิตถ้าทําไปเพราะไม่ได้ทำเพราะความอยากสวยอยากงามก็ไม่เป็นไรอีกเช่นใช้ลิปสติกยังไงก็ต้องทาให้เขาดูทาแล้วอันนี้ถ้าทําเพื่อเพื่อการค้าขายไม่ไม่ไม่ผิดหรอกแต่อย่าทำเพราะความอยากสวยอยากงามคําถามจากคุณวรพันธ์ จิตตกหลุมตกบอ่อหมายความว่าอย่างไรคะก็เหมือนตกหลุมตกบ่อนะเหมือนเวลาที่เรานั่งเครื่องบินแล้วมันตกตกหลุมอากาศเนี้ยมันก็จะวูบลงมาเหมือนตกจากที่สูงสะพานสมัยก่อนนี่เวลานั่งรถเนี่ยเวลาขับขึ้นไปเวลาลงมามันจะชันแล้วมันจะลงแบบวูบลงไปมันก็เหมือนกับตกจากที่สูงลงไปความรู้สึกจิตเวลาจะสงบมันก็เหมือนจะมันตกจากที่สูงลงไปเหมือนกัน คำถามจากคุณเหมิวการทําบุญในพระพุทธศาสนากับการทําบุญกับพ่อแม่แบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะมันเป็นบุญอันเดียวกันไงศาสนาก็สอนให้ทํากับพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ทํากับพระกับวัดอย่างเดียวให้ทํากับทุกคนสัพเพสัตตาเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยคือการทําบุญเข้าเนยมั้ยมีข้าวของเงินทองนี่ใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขา เก่นไฟไหม้น้ำท่วมเราก็ซื้อของไปช่วยกันอันนี้ก็เป็นการทำบุญการทำบุญคือการแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นได้บุญเหมือนกันได้บ้างได้น้อยอยู่ที่ทามากทาน้อยทำมากก็จะได้บุญมากทาน้อยก็ได้บุญน้อยคำถามจากคุณพรเทพผมเดินผ่านตลาดเห็นคนใส่บาทด้วยธนบัตรแล้วพระท่านก็หยิบใส่ย่ามเราควรทำใจอย่างไรครับ ก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราคําคำถามจากคุณเอนะคะนั่งสมาธิพอลมหายใจหายไปก็นั่งรู้หนอรู้หนอจนจิตสงบจึงรู้พอนั่งอยู่พักใหญ่จึงรู้สึกเมื่อยและออกจากสมาธิจึงท่องออกหนอออกหนอแทนพุทโธเพื่อจะลืมตาแต่สักแป๊บ จิตก็เหมือนรวมเข้าสมาธินิ่งอีกเป็นอย่างนี้หลายรอบจึงออกจากสมาธิได้อยากทราบวิธีการออกจากสมาธิที่ถูกต้องนั้นต้องทําอย่างไรคะก็อย่างนี้อ่ะดีจะได้อยู่นานๆเวลาเราออกหนอออกหนอก็เหมือนเข้าหนอเข้าหนาะมันก็ทําให้ใจหยุดคิดมันก็เลยสมบต่อถ้าอยากจะออกโดยที่ไม่ไม่ไม่กลับเข้าไปก็ไม่ต้องออกหนอออกหนอก็ลืมตาขึ้นแล้วก็คิดไป ที่ว่าจะไปทําอะไรดีต่อมันก็ออกมาได้นะแต่ถ้าเราไปบริกรรมต่อมันก็จะอยู่ต่อหมือนเราจะบริกรรมว่าออกเนอออกเนอมันก็มันก็จะดึงให้เข้าไปข้างในต่อมันจะทําให้ใจสงบต่อคําถามจากคุณสุริรัตน์หากเราจะออกบวชแล้วยังมีภารลที่ยังพัวพันอยู่หากเราจะทิ้งและลบหนีไปบวชเลยมันจะบาปไหมคะแล้วแต่ว่ามันผิด มันมันก็อาจจะมีพันธะตามมาอาจจะมารบกวนเราได้เหมือนเป็นเหมือนเวรกรรมที่เราหนีเดี๋ยวมันจะตามมาถ้าเรามีหนี้เดี๋ยวเขาเจ้าหนี้เขาจะตามมามันก็จะทําให้การปวยของเรานี้ไ่ไม่สงบวุ่นวายใจได้เหตุนั้นทางที่ดีก็ควรที่จะจัดการกับภาร ะ, ะต่างๆให้มันเรียบร้อยไปก่อนคําถามจากคุณที นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ครับหากมีทำไมไม่ทําให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นประจักษก์ตาจะได้ไม่ต้องพากันทําบาปหันมาทําบุญแทนเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่านารกสวรรค์นี้เป็นเป็นอย่างไรไม่มีใครอธิบายก็วันนี้ก็อธิบายให้ฟังแนละ้วนรกสวรรค์ก็คือเวลาเรานอนหลับเนี่ยฝันดีฝันร้ายนี่มันก็เป็นนรกเป็นสวรรค์ขึ้นมา เวลาเรานอนหลับฝันดีเราก็กำลังอยู่ในสวรรค์เวลาเรานอนหลับแล้วฝันร้ายเราก็อยู่ในนรกเพราะตอนที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายก็เหมือนเราตายชั่วคราวตอนนั้นร่างกายเหมือนตายชั่วคราวเราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรใจไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับร่างกายใจก็เลยถูกบุญกับบาปส่งไปสวรรค์หรือส่งไปนรกถ้าฝันดีก็ส่งไปสวรรค์ ถ้าฝันร้ายก็ส่งไปนรกส่งไปอบายคำถามจากคุณฤทธิ์จะทําอย่างไรที่จะดูแลเด็กออทิสติกที่อารมณ์โกรธเกี่ยวกขาดได้เจ้าคะเวลาถูกขัดใจเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความโกรธได้เลยเจ้าคะ่ะบางทีทําร้ายพ่อแม่ด้วยเจ้าคะ่ะก็ต้องคอยห้ามเขาเวลาที่เขาไม่ห้ามตัวเขาเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขาห้ามเขาไปก่อนแล้วค่อยๆสอนให้เขาฝึกให้เขามีสติอ่า เวลาต่อไปถ้าเขามีสติมากขึ้นเขาก็จะหักข้ามจิตใจของเขาได้เองคําถามจากคุณพิคุณทองเวลาใส่บาตรเราเอาอาหารที่ใส่ถุงลงในบาตรได้ไหมเจ้าคะอ า, อาหารที่ใส่ถุงลงในบาตรก็แล้วแต่พระบางทีท่านไม่สะดวกที่จะให้ใส่ในบาตรท่านก็ให้ใส่ฝาบาตรก็แล้วแต่ท่านท่านจะรับอย่างไรแล้วก็ทําไปคําถามจากคุณวรพันธ์ ถ้านั่งสมาธิแล้วพุทโธหายนมหายใจหายไปแล้วจูจ่ๆเหมือนแผ่นดินแยกฟ้าร้องน่ากลัวตกใจสะดุง้งต้องกลับมานั่งพุทโธเริ่มใหม่ถูกต้องไหมคะอ่าถ้าใจสะดุง้งก็ต้องกลับมาพุทโธต่อไปคำถามจากคุณรัตนาไปกราบสังเวชนียสถานสักครั้งในชีวิตถือเป็นกิเลสไหมคะ ไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นมันกิจกรรมที่ดีมันจะทาให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาคนที่ไม่มีศรัทธาถ้าไปกราบที่สังเวชนียสถานก็อาจจะเกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาได้แต่คนที่มีศรัทธาอยู่แล้วไปก็หรือไม่ไปก็เท่ากันไปก็ถือว่าไปเที่ยวมากกว่าหรือไม่ใช่นั้นก็อาจไปเสริมศรัทธาก็ได้ถ้าศรัทธายังไม่มั่นคง ยังไม่นัานมั่นใจว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่านี้ก็ไปดูที่เกิดที่ตายของพระพุทธเจ้าจะได้รู้ว่าเออมีจริงนะไม่ใช่เป็นของโกหกหมดหรือยังหมดแล้วค่ะมีใครอยากจะไปหรือเล่ะไปกาบสังเวชนียสถานหรือเปล่อาอ่าคทอีกไม่ยเคะคืออ่าไมโครโฟอนอ่าคือ อยู่ใช้ชีวิตคู่มายี่สิบปีพอดอีคือระยะเวลายี่สิปีนี้กับสามีคืออยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเลยเแล้ว เ, เขาคือเขาติดยาเสพติดนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เราเลยตัดสินใจก็คือแบ่งแบ่งสมบัติให้เขาแบ่งมรดกให้เขาแล้วก็ คือระยะเวลา20ปีเราไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันเลยแต่เราพอใจเต็มใจที่จะแบ่งให้เพราะว่าเรากลับมาพึ่งตัวเองพึ่งใจพึ่งกายตัวเองพร้อมภาระหนี้สินแล้วก็ลูกเราก็รับไว้เองอแล้วทีเนี้ยเขาก็ยอมเพราะว่าใช้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์มาไก่กี่แล้ว เขาก็ยอมรับทรัพย์ที่ที่เราแบ่งให้ไปแล้วก็รถยนต์ที่ไม่มีอ่าวดรถ อ, อ่คือคือคือไม่ได้มีหนี้เจ้าค่ะคือให้เงินสดให้ทรัพย์สินให้อ่ทุกอย่างพร้อมที่จะไอะไปใช้ชีวิตใหม่นะเจ้าค่ะแล้วอ่คือไม่ต้องมารับภาระหนี้สินกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยินดีรับแล้วณวันนี้คือ อแยกทางกันก็ประมาณสามปีแล้วแต่ขณะที่ระยะเวลาแยกทางกันเขาประมาณแยกทางกันประมาณห้าเดือนแล้วเขาก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างอาถือว่าเราได้สร้างเวรสร้างกรรมต่อเขาไหมเจ้าคะ่ะแต่ถ้ายอมรับกันโดยดีก็ไม่ไม่มีเวรไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีกรรมกันค่ะเจ้าแต่เขาอาจจะ ยังกลับมาหาเราก็ได้เพราะถ้าเขาคิดว่าเขายังจะขอะอะไรจากเราได้อยู่ถ้าเขาไม่มีที่พึ่งเขาอาจจะหันกลับมาหาเราอีกก็ได้เขาเคยเ ข, เขาเคยคิดจะกลับมาแต่ว่าอา่าคือต้องมาหนักแน่นที่ที่จีของตัวเองคือจะไม่รับเข้ามาอีกแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วอะไรอย่างนี้ยกับลูกอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือคือจะไม่รับตัวนั้นเข้ามาอีกถ้าโทรศัพท์มาก็จะบล็อกจะอะไรอย่างนี้นเจ้าค่ะ แล้วสุดท้ายเขาก็ห่างห่างไปจนเวลาขณะนี้ก็คือสามปีแล้วเจ้าค่ ะ, ะแต่จากเราที่มีภาระหน้าที่หนี้สินแต่เรากับมีความสุขกับหนี้สินที่เรามีกับตอนที่อยู่ด้วยกันไม่มีหนี้สินแต่ไม่มีความสุขระยะเวลายี่สิบปีเจ้าค่ะก็พราะเราลดกองทุกไปกองหนึ่ง<อ>สามีก็เป็นกองทุกกองหนึ่งเมื่อไม่มีสามี ควทุกข์มันก็น้อยลงไปกองหนึ่งนิสิณก็ยังมีเป็นก็ยังเป็นกองทุกข์อยู่ถ้าเลิกนิสิณได้ก็จะลดไปอีกกองแล้วลูกทั้งสามคนก็เป็นเด็กดีเจ้าค่ะออทํางานแทนแล้วก็เรียนหนังสือดีก็ถือว่าเป็นบุญของเราไปแล้วเกิดไม่ดีก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปอเจอาแล้วนะจักคิดว่าพอสมควรแก่เวลา